4. ปุคคละสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย 14. ภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือหนึ่ง ท่านเป็นผู้อุอปโตภาควิมุตติสองท่านผู้เป็นปัญญาวิมุตติสามท่านผู้เป็นกายสัคคีสี่ท่านผู้เป็นทิฏฐิปตตะห้าท่านผู้เป็นสัทธาวิมุตติหท่านผู้เป็นธรรมานุสารี 7. เจท่านผู้เป็นสัทานุสารีภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้แล